ในทางโลกถ้าเราทําผิดต่อบุคคลหนึ่งเราก็สามารถขอโทษขออโหสิกรรมต่อกันได้ในทางธรรมถ้าหากว่าเรากระทําผิดทําปาณาติบาตไปแล้วเราจะสามารถขออโหสิกรรมจากปัญญาณ น, นั้นๆได้หรือไม่หรือต้องรับกรรมแต่อย่างเดียวปัญญาณที่ตายนั้นจะรับรู้ได้หรือไม่ว่าเราขออโหสิกรรม ความจริงมันไม่ได้แยกกันระหว่างเรื่องโลกเรื่องธรรมมันเรื่องเดียวกันแต่แยกในเรื่องความจริงต่างหากคือแยกในแง่ของความจริงและข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีสองส่วนคือหนึ่งในแง่ของความผิดต่อกันระหว่างบุคคลอันนี้คือการไม่ผูกเวรหมายความว่าไม่จองเวรกันหรือให้อภัยกันอันนี้หละที่มักเรียกกันว่าเป็นการอโหสิ ที่จริงก็คือยกโทษให้ไม่ถืออาฆาตจองเวรหมายความว่าเลิกแล้วต่อกันไม่ตอบโต้ต่อเรื่องในระหว่างตัวบุคลคลคําว่าขออโหสิกรรมที่ว่านี้เป็นสำนวนภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีเดิมไม่ได้มีความหมายอย่างนี้ตามบาลีอโหสิกรรมหมายถึงกรรมเลิกให้ผลไม่มีผลอีก ได้แก่กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลที่เลือกให้ผลเหมือนพืชที่หมดยางเพาะปลูกไม่ขึ้นอีกแต่ในภาษาไทยใช้คำนี้ก็คือขออภัยนั่นเองในกรณีของปาณาธิบาตผู้ถูกฆ่าตายไปแล้วจะขออภัยไม่ให้อาคาดจองเวรกันต่อไปจะให้เหมือนกับทากับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้คือไม่ได้เต็มที่ เพราะญาติที่เขาจะรับรู้การขออภัยของเราและแม้แต่ถ้าเขารับรู้เขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาได้ให้อภัยแล้วหรือไม่การที่เขาจะรับรู้ได้นั้นเขาจะต้องพอดีไปเกิดอยู่ในภพ บ, บางภพซึ่งมีไม่กี่ภพที่รับรู้ได้วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้คือไม่ต้องมัวไปห่วงว่าเขาจะได้รับรู้หรือไม่เราก็ทําในส่วนของเราไป คือหนึ่งแผ่เมตตาตั้งใจให้อภัยกันและสองอุธิกุศลไปให้เขาแล้วสามตั้งเจตนาทำความดีให้แรงของกุศลท่วมท้นเหนืออกุศลอย่างที่จะพูดในแง่ต่อไปสองในแง่ของตัวความชั่วที่ทำไปแล้ว ก็มีผลของมันเพราะกรรมหรือตัวการกระทํานั้นมันเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ทํากรรมนั่นเองและมันมีผลตั้งแต่ขณะจิตที่กระทาแล้วคือเมื่อคนมีเจตนาที่จะเบียดเบียนเกิดขึ้นหรือมีเจตนาทำร้ายเกิดขึ้นก็มีผลเป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเริ่มแต่ในจิตใจก่อนทันทีข้อพิจารณาในกรณีนี้ก็คือ เมื่อมันมีผลเป็นอกุศลอย่างนี้แล้วในการแก้ไขเราจะทำอย่างไรคาตอบก็คือเปลี่ยนอันไปทำกุศลขึ้นมาให้เหนือกว่าเริ่มต้นก็อย่างที่พูดมาแล้วคือยอมรับความจริงว่าเออสิ่งที่เราทำไปแล้วเป็นอกุศลยอมรับเสียก่อนแล้วก็ตั้งใจตั้งเจตนาว่าต่อไปเราจะแก้ไข จะไม่ทำมันอีกแต่จะทำความดีพอตั้งใจอย่างนี้กุศลก็เกิดขึ้นแล้วและต่อจากนั้นเราต้องทาฝ่ายกุศลให้มากให้มีกาลังมากกว่าอากุศลในกรณีที่คนทำความผิดต่อกันเราทำผิดต่อเขาแล้วไปขอโทษและเขายอมยกโทษให้การแสดงความรู้สึกที่ดีมีเมตตาให้อภัยกันนั้น เป็นการทำกุศลขึ้นใหม่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่ดีพอไปพูดดีกันเขาก็ว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือคุณนะใจเขาก็สบายใจเราก็สบายมีความเ อ, อิบอิ่มพองใสใจก็เป็นกุศลขึ้นสภาพจิตปลายกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปที่ทำไปแล้วมันไม่มีมันก็มีก็เกิดขึ้นไปแล้ว แต่เราไม่ไปสั่งสมฝ่ายบาปต่ออีกฝ่ายบาปนั้นเรายุติเกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วหยุดเลยไม่ต่อถ้าต่อแม้แต่ในจิตคือคิดปรุงแต่งขึ้นมามีความเศร้าหมองคุนมัวบาปก็เพิ่มขยายบาปตั้งต้นนิดเดียวก็บานปลายไปกันใหญ่ทีนี้เราไม่ทำอย่างนั้นรู้ว่าบาปเกิดแค่นั้นแล้ว เราหยุดเลยและหันมาสั่งสมฝ่ายกุศลต่อทำจิตให้ดีงามตั้งใจใดีงามและแสดงออกโดยมีความสัมพันธ์กับเขาให้ดีงามมีเมตตาต่อกันเกิดความซาบซึ้งใจกันเกิดกุศลและก็กลายเป็นผลที่ดีเกิดขึ้นแทนความเป็นไปทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมหรือกฎธรรมดาของธรรมชาตินี่ะ ไม่ใช่ว่าใครจะไปยกเลิกผลกรรมให้แก่กันแต่เป็นเพราะว่าเมื่อเราไปมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วอกุศลก็ไม่สืบต่อแล้วก็เกิดกุศลใหม่ขึ้นมาและเมื่อเราสืบต่อความดีนั้นเช่นมีเมตตาไมตรีและการสงเคราะห์กันกุศลใหม่ก็มากขึ้นมาขึ้นฝ่ายอากุศลที่เกิดขึ้นนิดเดียวก็เลยหมดความหมายหรือหมดอิทธิพลไป แต่ถ้าเราไม่ทำการแก้ไขอย่างนี้จิตฝ่ายที่เป็นอกุศลก็จะพอกเพิ่มขยายตัวจากเชื้อนิดเดียวมากขึ้นโดยการคิดปรุงแต่งเป็นต้นทำให้เกิดความเสื่อมจากกุศลธรรมและทำให้อกุศลเพิ่มมากยิ่งขึนทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและกรรมก็มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เกิอุปมาแล้วว่าไม่ใช่ว่าเราไปล้างบาป ขอยกอุปมาณนั้นมาพูดอีกเหมือนอย่างว่ามีถ้วยแก้วอินฟินิตี้หมายความว่าใส่น้ำได้ไม่สิ้นสุดตอนแรกเราใส่น้ำสีแดงลงไปใส่ลงไปลงไปรู้สึกไม่ดีน้ำไม่บริสุทธิ์ขุ่นมัวเศร้าหมองมองไม่เห็นอะไรเลยการใส่น้ำสีนี้สมมุติว่าเป็นการทำกรรมชั่ว ตอนนี้บาปของเราก็เยอะเสียแล้วน้ำแดงไปหมดทีนี้เรานึกได้เกิดความสำนึกขึ้นมาว่าเอความชั่วนี้เราไม่ทำดีกว่าแต่จะทำอย่างไรละ่ะจึงจะแก้ไขได้จะเททิ้งก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตของเราเองวิธีแก้ก็คือเราหันไปทำกุศลเหมือนกับเติมน้ำใสๆลงไปเรื่อยๆและไม่ใส่น้ำสีลงไปอีกเลย ต่อมานานเข้าปรากฏว่าน้าในแก้วใสไปหมดมองดูไม่เห็นสีแดงเลยจนนิดเดียวใสเจ้าที่เดียวเพราะอะไรน้ำแดงหายไปไหนหรือเปล่าไม่ได้หายไปไหนก็มีอยู่อย่างเดิมและเท่าเดิมในนั้นลหละแต่มองไม่เห็นเลยไม่มีความหมายเห็นแต่น้ำใสอันนี้ก็คือความจริงที่ว่าเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็เปลี่ยน เราไม่ทำอกุศลต่อทำแต่กุศลกุศลก็เพิ่มพูนขึ้นมาอากุศลก็หมดอิทธิพลไปเลยไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปเอามันออกมันก็หมดความหมายไปแต่ถ้าจะให้เป็นการชำระล้างบาปก็ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งคือระดับอริยมรรคซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็ต้องเปลี่ยนเป็นว่าตอนนวนเป็นการกำจัดอกุศล โดยทำให้สะอาดหมดไปเลยเหมือนชำระน้ำสีด้วยสารเคมีหมายความว่าทำให้สีแดงหมดไปเลยแต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นวิธีของมนุษย์ธรรมดาเป็นวิธีเอาน้ำใสามาเติมจนกระทั่งน้ำสีนั้นไม่มีความหมายรวมความว่าไม่ต้องไปห่วงกังวลถ้าเราทำบาปแล้ว ก็อย่าไปหลงระเริงมันอีกก็หยุดเสียแล้วทำฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลมากขึ้นมากขึ้นต่อไปฝ่ายบาปก็จะหมดอิทธิพลไปเอง